เรื่องเวทสนดรปริทัศน์ตอนที่สามโดยพระอาจารย์สมภพโชติปัญโยพระไรสนนี้เราไม่ได้พูดถึงในเรื่องนี้เราไม่ได้พูดถึงเรื่องของพระอริยเจ้ามากมายในโลกภาษีอาริยะเมตไพรแต่พุทธเจ้าท่านพูดไว้ในจกักรวรรดิสดนั้นพระอาริยเจ้ามากเกินกว่าในสมัยของพระพุทธเจ้าเราเสียอีก เราไม่พอใจที่จะพูดถึงไม่สาวันนักปราชญ์อาจารย์รุ่นเกา่าทิพูดเรื่องมาลายสูตรมาลายหมื่นมาลายแสนในดีกามาลายเนี่ยก็ไม่ได้พูดถึงเรื่องของพระอริยเจ้ามากมายพูดแต่เรื่องต้นไมก้กระพือเกิดขึ้นสีบูมเมืองยากได้อะไรอธิษฐานเอาออกมาแผ่นดินราบเรียบเป็นหน้ากองไปมีศัตรูขู่เวนมีคนสวยสน ง, นง่นน้ำอายุยืนยาวั้งแปดหมืนปีอันนี้เอามาพูดกัน เพราะสิ่งที่เรามาพูดกันนั้นส่วนมากเป็นสิ่งที่เรารักเราปราทันนอายุนั่นไหนจะยื่นว่ามันพันปีไปนขนาดอันนี้ฟาดไปตั้งแปดหมื่นอยากได้อยู่บน่นอนอนอเพรออกไม่ออกอาดมามุเอานําเดิมมันหลายโพดแค่นี้ก็ไม่ไหวแล้วมันมากเกินอย่างไรก็ตามเข้าคงที่มีในจักรวรรนโสูตรที่ขณิกายปฏิกกวัตแห่งพระไตรปิฎกเล่มที่สิบเอดนี่จะหาได้ง่ายที่สุดคือสูตรที่สองสูตรที่สอง ท่าจะหาง่ายแต่ท่านเปิดพระไตรปิฎกโดยเฉพาะอ่าแปลภาษาบาลีไม่ได้ไม่ค่อยเข้าใจก็ไปเปิดพระไตรปิฎกฉบับภาษาไทยท่านก็จะได้พบได้เห็นแน่นอนอย่างไรก็ตามท่านยังไม่ได้หยุดดูเพียงแค่นี้เมื่อพูดถึงเรื่องมีพระอริยเจ้ามากมาก่ายกองในโลกของพระศรีอริยเบตรายแล้วท่านก็ยังพูดต่อไปตัดถึงที่พึ่งที่พึ่งบอกว่าถ้าหาที่สุดทั้งหลายเนี่ย อยู่ด้วยกันโดยความเป็นผู้มีที่พึ่งที่พึ่งอะไรผู้ใหญ่ดูความคิดสายเธอทั้งหลายจงมีตนเป็นเกาะจงมีตนเป็นที่พึ่งอัตถีปาอัตถะอัตตะสระนาภาษาบาลีว่าอย่างนี้อย่ามีสิ่งอื่นเป็นที่พึ่ง อ, อันัญญาทีปาอันัญญาสรนาอยามีสิ่งอื่นเป็นเกาะ เขาบอกเกาะเข้าไปที่เพื่งเขาอาภัยเขาเวลาอธิบายสักหน่อยโลกที่เราอยู่นี่อยู่ท่ามกลางทะเลแห่งรูปแห่งเสียงแห่งกลิ่นแห่งรสเรียกว่าสังสารวัตรวนเวียนกันอยู่นี่เกิดตายตา ย, ตายเกิดเพราะรูปเสียงกลิ่นรสโปรตพาอารมณ์จิตใจเข้าไปอาศัยไปยึดมั่นเรียกว่านิสิตานิสิตาแอบอิงอาศัยอยู่กับความพอใจไม่พอใจในรูปในเสียงในกลิ่นในรสก็เลยว่ ย, อยลอยกันวนเวียนอยู่ในวัฏสงสารเอาอะไรมาเป็นที่เพื่ง จะต้องหาเกาะเหมือนในทะเลจะต้องมีเกาะเป็นที่ปลอดภัยที่เรียกว่าทีป่าทีป่าพุทธิย่าจึงบอกว่าอัตตาทีป่ามีตนเป็นเกาะอัตตาสรณามีตนเป็นที่พึ่งเดี๋ยวนี้พอพูดถึงเรื่องพระศีอารยเมตไตรเกิดขึ้นมาในโลกเดี๋ยวนี้เกิดมีศีอารยเมตไตรปลอมขึ้นมาแล้วเดี๋ยวศีอารยเมตไตรเกิดขึ้นน้องบัวลำพูเดี๋ยวเกิดขึ้นทางเมืองเลยเดี๋ยวเกิดขึ้นทางอูดรนนี่ก็เกิดศีอารยเมตไตร ตัวมีขึ้นมาแมยยิงขึ้นมาก็พากันแหไปกาบไปไหวสีอะเรียเมเอกไตเก้ความจริงสีอริยเมเอกไตไม่ใช่เรื่องเพ้อฝันไกลเกินกว่าที่จะสร้างขึ้นมาได้ยืนในจิตในใจของเราถ้ามีสิ้นหายบริสุทธ์ถ้ามีจิตใจเมตตาปาณีในหมู่บ้านหนึ่งบ้านในเอยหนึ100่งอยลังคา400ร้อหอลังคาถ้าทุกคนมีสิ้นห่าบริสุทธิ์แล้วทุกคนมีเมตตาปาณีต่อกันนั่นจะเป็นครอบครัวที่ยิ่งใหญ่ที่สุดจะเต็มได้วยความรักความเจริญ และโลภสีอ่านเกิดขึ้นที่พระพุทธเจ้าบอกว่าดูก่อนที่สุทั้งหลายเหมื่อนมนุษย์อายุแปดพันปีจากมีพระจากจักรพรรดิทรงปนามว่าประเจ้าสังกัทรงอุบาทขึ้นณาเกตุมณีราชธานีเป็นผู้ทรงทําเป็นพระราชาโดยทําเป็นใหญ่เป็นโตในแผ่นดินมีมหาสมุทรทั้งสี่เป็นขอบเขตทรงชนะแล้วและก็เล่าไปว่าบ้านเมืองคนเนี่ยชัดติดติดติดกันเต็มไปหมดเลยทันวายอย่างนี้บ้านคนจะแอะอาจยัดเยียดและไม่กระทบกระทั่งไม่เค้นไม่ฆ่ากัน ลักษณะเช่นนี้ก็เหมือนบ้านใหญ่ๆชุมชนหนึ่งในบ้านในเบืองของเราเนี่ยถ้าทุกคนมีศีลห้าบริสุทธิ์มีเมตตาปาณีต่อกันเมื่อนั้นอัดแยออัดยัดเยียดแต่ทางกายแต่จิตใจกับอบอุ่น นู่นก็ผี่นี่ก่อน้องเดี๋ยวนี้มันคับข้างหลังไหลแต่หางด้านร่างกายแต่จิตใจมันอ้างว้างว้าเหวคนไม่มีสินมีธรรมเลยจ้องที่จะเอารัดเอาเปรียบอาศัยพึ่งพาอาศัยกันไม่ได้เลยเหมือนอยู่คนเดียวในโลกกว้างมีแต่มนุษย์อันตรายไว้ใจกันไม่ได้เมืองฝรั่งบังค่าที่จะเริ่มลุ่งเรืองด้วยทรัพย์ ส, สมบัตินาน า, นาประการถึงยุกพุทธปฏิเอนต์ถึงยุคกดปุ่มแล้วถึงทุกอินโฟเมชันเอนุ ก, ก, กข่าวสารทุกดาวเทียมทุกอ ว, วกาศคอมพิวเตอร์ แต่เมืองฝรั่งนั้นกับอ้างวางว่าเวทางจิตใจแม้จะหนัง่งกดเก่งติดแอร์นอนอยู่ในห้องแอร์จะกดปุ่มสักผ่ากดปุ่มกินอาหารมีตึกหาสิบชั้นร้อยชั้นแต่จิตใจของฝรั่งก็อ้างวางเพราะขาดสิ้น้าทํา ทางคนต่างมั่งมีสีสุขไปได้ถึงพาอาศัยสึ่งกันแรงกันต่องอาศัยตนเองห่าตนเองเนี่มีแล้วเก่งแล้วไม่ต้องเดือดร้อนแต่ในที่สุดจิตใจนั้นมันไม่อบอุ่นมันก็ยังอ้างวางอยู่ดีๆเมืองฝรั่งจึงหันไปเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวจูหมาจูแมวไปเป็นทวนคนแก่คนเฒ่าไปไหนจูหมาไปลูกเต่า ไม่สนใจที่จะให้ความอบอุ่นแก่พ่อแม่เพราะว่าระบบสินระบบธรรมเขามันไม่ดีไม่งามเรียกว่าไม่มีระบบ relation system หรือว่าระบบคันเจริญ relationship สัมพันธ์ทางด้านจริยธรรมต่อกันพ่อแม่ต้องไปเข่าอยู่นูน่นนิคมคนแก่มีอยนั้นก็นอยู่บ้านคนเดียวลูกล้านนี้ไปมีโูกมีพวมีเมียไม่ไมาจุงมาเกี่ยวกับพ่อกับแม่พ่อแม่แมกันเลยอ่างวางว้าเวขอร้องรัฐบาลให้มีวันแม่วันพ่อฟ้าเธอมาเเดขึ้นมา ยังไม่พอ ก็ยังเกิดความอ้างว้างอยู่งั้นเลยว่าร่างตายมันคับข้ังหลังหลจิตใจมันอ้างว้างว้าเวลโลลิเนเก็เลยเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวจูงหมาไปจูงแมวไปดาริ่งสวีทฮาร์ดโอหวานใจของฉันยอดรักว่ากับหมากับแม่ไอพวกหมาพวกแมวเนี่ยมันก็คุ้นเคยกับเจ้าของจงรักภักดีพวกฝรั่งจึงต้องมีโรงพยาบาลหมาโรงพยาบาลแมวมีการประกันชีวิตหมาประกันชีวิตแมวเนี่ยมีเงินประกันภัยแต่หมาแก่แมว รถเหยียบรถชนหรือหมาแมวไปกัดใครทางบริษัทปาาระกันต้องเสียเงินค่า ป, ประกันประเทศไทยเรานั้นไม่มีโรงพยาบาลหมาพยาบาลแมวบีน้วยพวกฝรั่งต้องมีสัตวแพทย์ต้องมีบริษัปาาทประกันภัยแก่หมาแก่แมวของเขาในทั้งหมดคือความเจริญทางวัตถุมันขับขั้งหลังไรทางกายแต่จิตใจมันอ้างว้างว้าเวเมื่อไม่พอใจอะไรฝรั่งก็ขาดตัวตายผูกคอตายกินยาตายอย่างมีเรื่อง Sun of Sam ผู้ชายคนหนึ่งหมาตนเองไม่ชอบผู้หญิงพลผมบอลก็ไปเที่ยวห่ะผู้หญิงว่ามันไม่ชอบไก่หมาของฉันไม่ชอบนี่มันบ้ามันบอไปอย่างนั้นเอาว่าไปเลยเถอดไปหน่อยเมื่อพูดถึงบ้านเราเมืองเราได้ดีกว่าฝรั่งหา้าแสนเท่า่งายๆเขาจเราจริญทางวัตถุแต่จิตใจก็ต่ําชาเลวซางเป็นทุกข์เป็นร่อนเดี๋ยวนี้กําลังสนใจในทางพระพุทธศาสนา ในบ้านปลายนี่ก็ น, น่าคิดเหมือนกันแต่คนไทยกำลังจะ ว, วิ่งไปเถอะฝรั่งมันี่ดินเสาสิเสียแงสงตันหกพินแหงกับเกิดเป็นนวยเกลวพ่ล่าเข็มคาสีแผงบัวขีแเบสิบานเกิดกลางน้องพักพองนี้เมื่อพ่อนปงใดเป็นต้น บัวร่องเขินหัวชวนกับบานเก่าบนลเลิกสังหรณตื่นจะไปหงบนเขินพระไทยเทศให้ฟังไม่อยากฟังกตบไปฟังพระฝรังเทศถ้าฝรังหัวแดงแดงมาบวชเทศมะเลเปะปะสเปสป่าโอ้ยฟังกันดีแต่ก็ไม่ลึกซึ่งอะไรเหมือนคนไทยกับฝรังเหมือนฝรังมหัหมวยไทยนั่นเองเดี๋ยวนี้เรากําลังเคอรฝรั่งบางพวกเคอรฝรังไปเข้าศาสนาฝรังบูชาฝรังฝรังพูดอะไรละถูกต้องดีงามไปหมด แต่พอฝรั่งมานับถือศาสนาพุทธก็ช่อมเชยโอ้ดีที่สุดอย่าเพิ่งไปไว้ใจอะไรมากนักหนาเพราะพวกนี้ยังเข้าไปถึงพื้นฐานวัฒนธรรมของพวกเราอย่างชัดเจนบางคนรู้จักนิดๆหน่อยๆก็อวดดีไปโอหังจองห้องอีกต่อไปก็จะเอาศาสนาพุทธนี่ไปซ้อนกันผิดๆทุกๆปูจี้ปูยำดังแต่คนไทยเกิดอยู่ตรงนี่นอนเกาะศาสนาอยู่ตรงนี้ยังไม่สนใจที่จะศึกษาเรื่องสมาธิเรื่องภาวนานี่ในสูตรนี่พระพุทธเจ้าจึงสอน โลกภาษีอานแล้วต่อมาสรุปโลกภาษีอานประวันในสมัยของภาษีอานนี่คนจะ มีพระอริยเจ้ามากนักพระศรีอริยเมตไตรเทวบพัทธีอริยเมตไตรพุทธเจ้านั้นน่ะจะทรงบริหารพระภิกษุ ส, สงฆ์เป็นจํานวนพันมากกว่าเราตรทาคตขี่ทรงบริหารภิกษุเป็นจํานวนน้อยจนนอยํานวนร้อยทันวาอย่างนี้พระอาริยเมตไตรพระองค์นั้นจะทรงสแสดงทำงานในเบื้องต้นในธรรมกลางในที่ทรงประกาศ พ, พรหมจรรย์พร้อมทั้งอัตถะปยันชนะบริสุทธิ์บริบูรณ์สิน้นเชิงพระผู้มีพระกามณาบพเมตไตรพระองค์นั้นจะทรงบริหาร พิสุสงหลายพันเหมือนตอถาคตบริหารพิสุสองหลายร้อยในบัด น, นี่นี่ท่านกล่าวอย่างนี้แล้วท่านประสูติให้ฟังว่าบ้านเมืองเป็นยังไงพระเจ้าแผ่นดินก็จะออกบวชไหวเงี้ยพระเจ้าสังข์จกักทรงให้ยกสึง่งยกขึ้นสึ่งปราสาทีพระเจ้ามห ah า ปนาถ้าทรงสั่งไว้และประทับอยู่แล้วจะทรงสละจะทรงบำเพ็ญทานแก่สมณพราหม์คนกำพา้าคนเดินทางวั น, นิพกยาจกคนยากจนทั้งหลายจะทรงปลงพระเกษาและพระมัจจุราชของผ่ากาสาวพัดเนี่ยเกษมฉงโอหาเลตพังกาศายทร ง, งโกนผมตรงหนวดปอ ง, ปองผมโกนหนวดแล้วก็หอมผ่ากาสาวพัเดเสด็จออกจากเลือดทรงพนวเป็นปันพระชิตในสำนักปะปุ๋มีภาคเจ้าปนามนั้น พระเมตตาและธรตมะมมาธรมพุทธเจ้าเท้าเธอจักทรงพันหวดยางนี้แล้วทรงปรี่เพราะคงอยู่แต่เพียงผู้เดียวไม่ประมาทมีความเพียรมีตนทรงไปแล้วไม่ช้กาก็จักเป็นผููทําให้แจ้งซึ่งประโยชน์อันยอดเยี่ยมที่กุลบุตรทั้งหลายพากันออกจากเลยเป็นบรรพชิตโดยชอบอั น, นเป็นที่สุดแห่งพุทธมจรุวยปัญญาอั น, ย, รร ย, นอยิ่งของพระ อ, องค์เองในที่ถ้มทำนั้นเที่ยวหมายขวัสดสรุปสุดท้ายแม้แต่พระ จ, าจะ้าจักกระพัด ในสมัยของวสิยาเรยเมตไถ่นก็จะปองผอมโกนนวดออกจากเรือนสะลารัตบั้นลังบวชแล้วก็ได้เป็นพระอรหันต์สุดท้ายพระพุทธเจ้าก็กลับเข้ามามองหาพวกเราเพราะว่าดูก่อนพษ่สังหลเธอตั้งหลายจงมีตนเป็นเกาะจงมีตนเป็นที่พึ่งจนมีอย่ามีสิ่งอื่นเป็นเกาะอย่ามีสิ่งอื่นเป็นที่พึ่งเลยดูก่อนพิ่สุทธทังไหลเหมื่อเธอทั้งหลายมีตนเป็นเกาะมีตนเป็นที่พึ่งไม่มีสิ่งอื่นเป็นที่พึ่งไม่มีสิ่งอื่นเป็นเกาะ ไม่ทำเป็นที่พึ่งมีทำเป็นที่อยู่อาศัยมีทำเป็ น, กนเกาะเดีวว่าธรรมะธีปาธรร ม, มสรนาเหตุจังใดจึงซื่อว่าเป็นภูมิตนเป็นที่พึ่งมีทำเป็นทีน่พึ่งมีตนเป็นเกาะมีทำเป็นเกาะดูก่อนพิสุขลายพิษุ ในพิธามวีในนี้นะอิทาปิกเวพิโคพิจูในพิธามวีในนี้พินาเห็นกายในกายกายเยกายานุปัสสีวิหาระท่เห็นกายในกายอยู่พินาเห็นกายในกายอยู่สัมปชานุสิมาวินยะโลกเอภิชาโทมนัสสังมีสติมีสัมปชัญญะถอนความพอใจไม่พอใจออกจากโลกเสียได้หลังจานั้นพระองค์ก็พูดไปพินาเห็นเวทนาในเวทนาเห็นจิตในจิตเห็นธรรมในธรรมนี่กำจัดความพอใจไม่พอใจออกจากโลกเสียได้ด้วยสติสัมปชัญญะ คูกค น, นก็คือเรื่องสติปัฏฐานสและก็คาเทปลงมาหน่อยก็คือเรื่องอิทธิบาทสีดูความพิสุจนลายเธอตั้งลายจงเที่ยวไปในโคจรซึ่งเป็นวิสัยอันเสิ่มมาเนื่องจากบิดาของตนเมื่อพูดถึงเรื่องโลกภาษีอานสีอาริยเมตไตรที่มีพระภิกุ ที่เป็นพระริยะเจ้าเป็นพันเป็นหมื่นมากมายยิ่งกว่าสมัยของเราในพระมาลัยดีกามาลัยสูตรที่เราสวดเราอา่านเราฟังกันในเรื่องมาลายหมื่นมาลยแสนมันไม่มีในเรื่องนี้ก็พูดแต่เรื่องทางวัตถุไม่ได้พูดในเรื่องของจิตใจน่าจะเลยไปถึงนั้น แล้วสุดท้ายคนจะอายุยืนได้หมื่นปีได้แปดหมืนปีก็ดีมีวันนะ่ะผิวพันปุดพองก็ดีมีความสุขก็ดีมีพลานาะไม่ดีก็ดีพระพุทธเจ้า ก, ก็นเน้นลงมาที่สิ่ที่ทำโดยเฉพาะอย่างยิ่งมีสติประทานทั้งสี่เห็นกายในกายเห็นเวทนาในเวทน า, น เ, ทนาเห็นจิตในจิตหเห็นธรรมในธรรมเห็นธรรมชาติอันเกิดขึ้นอันตั้งอยู่อันดับไปอย่างนี้ไม่ใช่เราไม่ใช่เขาเป็นอนัตตาอยู่อย่างนี้หลังจากนั้นมันเป็นไปได้ท่านก็สรุปลงมาเรื่องอายุของพิสูจน์นี่บอกว่าเมื่อมีเห็นสิ่งเหล่านี้ถ้ายาก ใช่มีอายุยืนกว่าเจริญอธิบาตประกอบด้วยฉันทสมาธิประธานสังขารสมาธิมีหลายอย่างนะฉันทะสมาธิวิทยสมาธิกิตตสมาธิมีบังคาสมาธิประธานสังขารแหมถ้ามีเวลาอธิบายกันเรื่องนี้มันก็ดีแต่เรามีเวลาน้อยเอรหเป็นว่าจะมีอายุยืนก็ดีพิพันธุดพองก็ดี จะถึงแป0หมื่นปีก็ได้เจริญอิทธิบาทมีสมาธิในฉันท้าพอใจที่จะทำสมาธิจิตตฝักไฝในสมาธิวิมังสาไตาตองพิจารณาที่จะให้เกิดให้มีถึงสมาธิอย่างวิรยิยะภาพเพียนให้เกิดมาสึ่งจิตเป็นสมาธิเดี๋ยวนี้เรามีใคร่ะ ตั้งใจที่จะมีชนทะวิริยะจิตตะมีมังสาในสมาธิถ้พูดถึงเรื่องสมาธิเราก็เหงางาบงาบงาบอย่าว่าใดโยมเลยแม้แต่พระสองฆ์องค์เจ้าเราก็ยังไม่พอใจอันนี้แล้วมันนี่นี่เสาเสียแสงสันหนบินแนครับเป็นหน่วยแกวพิลายเก็บพาที่แพงขันว่าพืพา้นพระสงฆ์องค์เจ้าก็ยากแต่สร้างนั้นสร้างนี้ออกซ่องดีกาเผยแพรี่อะไรกันทั้งปีจะสร้างวัดใหญ่ใหญ่ศาลาใหญ่ให่สาราส้างมาแล้วจู้กันก็ไม่ครบ ให้ปวกอยู่จำพรรษาอีกบางพวกก็ไม่สนใจเรื่องสมาธิกันี้แต่เขียนหนังสือออกมาวิเคราะห์วิจารณ์ตีสับตีจำนวนตีโวหารด่ากันทะเลาะเบาแวงแตแกแยกกันพระพุทธเจ้าบอกว่าให้ไปน้ำห้องพ่อห้องแม่เจ้าเด้อภิกษุตังต้งหลายเถิดตั้งหลายที่ยวไปในโคโจรซึ่งเป็นวิสัยอันซส้อมเนื่องมาจากบิดาของตนโคโจรไปวัดห้างไป ไปน้ำทางของพอ่อของแม่พ่อแม่คือ พ, อพระพุทธเจ้าดูความพิกษุทตั้งหลายเหมือเตอ ท, ทั้งหลายที่ไปในโคจรอันเป็นวิสัยอันเสริมาจากบิดาของตนแต่เจริญด้วยอายุจะเจริญด้วยวันน่าเจริญด้วยความสุขจะเจริญด้วยโพค่าเจริญด้วยพานละนี่ไม่ยั้งบันฑ์เนี่ยสียหายเจริญท่านก็บอกว่าดูความพิกษุทั้งหลายในเรื่องของอายุพิจิตรดูความพิกษุทตั้งหลายพิจิตได้ควมสีในนี่เจริญอิทธิบาทประกอบด้วยฉันทสมาธมที่ประธานสังขารเจริญอิทธิบาทประกอบด้วยวิริยะดังกล่าวแล้ว จิตวิมังสาในเรื่องสมาธิเมื่อเจริญอิธิบาทสีเหล่านี้แล้วพ่อก็ทําให้มากขึ้นถึงอิทธิบาทสีเหล่านี้ปาธนาก็พึงตั้งอยู่ได้ถึงหนึ่งกับก็บกบดีหรือเกินกว่าหนึ่งกับก็บกบดีพิจารณาหนี้แหละอธิบายในเรื่องอายุของพิะสงฆ์เนี่ยไปดูให้มันชัดเจนเป็นอันว่าเราสรุปได้ทันทีเลย เรื่องโลภศีอานไม่ใช่เรื่องเพอ้อฝันเป็นเรื่องที่จะต้องเป็นไปได้การที่คนโบราณได้จ้างงานเรื่องพระเวสสันดรขึ้นมานั้นเผื่อปูฟันมีตาปานีเหมือนจิตใจของพระเวสสันดรเราเป็นไม่ได้ขนาดนั้นก็ได้สักข้าเปอร์เซนิเปอร์เซนต์านเหมือนก็ยังจะสงบลมเย็นถ้าเป็นกันกันไปได้จริงๆทั้งบ้านในหมู่บ้านนั่นก็จะเป็นโลภษีอานโดยไม่ต้องให้สีอานเก้สีอานปลอมหลอกเราไปกินหัวหนูนเฉียงคานดานสายฝน เมืองเลยพ้นนะมันก็คือกันนั้นแล้วคือเขาต้มไปก็พากันไปอยู่อย่างนั้นภาษีอ่านตัวมีอะภาษีอ่านเกิดขึ้นอย่างนั้นนั่นเป็นเรื่องหลอโกหกพคลมมันจะเป็นอย่างนี้คนโบราณบอหวา่าอยยืนเง่าหมันหลายปีสเห็นหลากไปฟอกงูเถิดดวงหางเกี่ยวกาะ น, นูเดินเชียงขึ้นน้ลมโบหเมือเดินยีนสังราหอดเดินหาฟันตาหนาวภาษีอ่านเมียตัวมียก็มีพระพุทธเจ้าบอกดูความพิสูจน์ตงหลายพระโพธิสัตว์จอบไม่เกิดเป็นสัตว์ตัวเมียในโลกธาตุเนี่ย พระพุทธเจ้าเป็นผู้หญิงมีไม่ได้ในโลกธาตุหนึ่งมื่นโลกธาตุจักรวาลมีพระพุทธเจ้าเพียงองค์เดียวไม่เกิดขึ้นซ้อนกับกันในกับเดียวถึงสององค์ดุนศาสนาของพระพุทธเจ้าสมมาสัมพุทธเจ้ า, าโคธรรมโคดมของเรายังอยู่จะมีภาษีอ่านแม่เกิดมาสอนจังดีพระพุทธเจ้าบ่าว่าดูความพิสูจทั้งหลายพระ พุทธเจ้านั้นจะเป็นมาตุคามจะเป็นผู้หญิงนั้นเป็นฐานะที่เป็นไปไม่ได้เป็นอันว่าเราสรุปได้เลยยังสงฆ์ข้าเจ้าตัวหลอกต้มกินเงินกินทองลายเดี๋ยวนี้มันมีกันไปหมดพมา่าไรภาคสองก็เกิดมีแล้วดอยนางแลนูน่นะเอาเลี้เกิดมีเล่ามีพระราธาตเกศแก้วจุลามณีแหกันไปเองหน่อยก็เสียงเงินเสียทองบูซาลูกมักทบแทนที่ภาษาไทยเขาเรียก ว, ว่าลูกปลาคํา ไปซื้อดอกไม้ไปใส่ชุดขาวสมาทานสินฝากชีวิตจิตใจจะไปทัวนิพพานแน่นิพพานนะทัวริสทัวริสจะไปเที่ยว ท่องเที่ยวเมืองนิพานเฮ้ยจะเป็นไปทุ่ิีทุท่ทดแน่อกอ่เพราะไงไม่ใไ่เอาเป็นว่าสรุปได้เลยเรื่องมาลายหมื่นมไลายแสนเราก็จบ ก, กันเพียงแค่นี้เรื่องมาลายหมื่นมาลแสนเป็นเรื่องที่มาของบุญพระเวทสันดรได้ปลาลบในเรื่องนี้เพื่อปูฟังค่านิยมเซนส์เปิลคือสามันสำนึกคนในจิตใจของคนเราว่าเราอยู่ด้วยกันมากเท่าไหร่ยิ่งจำเป็นจะต้องมีความเมตตาปาณีต่อกันมากคนโบราณท่านไม่เพ้อฝันท่าน ไม่ใช่ว่าคนไม่รู้เรื่องอะไรความจริงในเรื่องพระพุทธเจ้าบำเพ็ญบาลามีธรรมเด ม, มันมีหลายทั้งสิบทัศมีตั้งวิธูละเนมิลาดพระเตเมย์างนี้มหาชานกพานรารธต่างๆเนี่ยทําไมท่านจึงไม่เอาบุญเตเมทําไมท่านจึงไม่เอาบุญมหาชานกทําไมท่านไม่เอาบุญภูริทัพทำไมท่านไม่เอาบุญ นาราธ ะ, ท, ะทำไมท่านจึงไม่เอาบุญวิธุละทำไมท่านจึงต้องมาเอาบุญพระเวสสันดรเพราะเน้นไปที่ความการให้ทานคือการจีสละให้ทานธรรมดาสิ่งค้องแบ่งปันเ อ, อเื้อเฟื้อเผื่อแผ่ซึ่งกันไม่พอก็ให้ทานทางด้านจิตใจให้อภัยซึ่งกันและกันกระทบกระทั่งเหมือนพระเวสสันดรเขาดา่าทั้งเมืองก็ยังไม่โกรธอย่างนี้ คือนับวันที่มนุษย์ในโลกนี้จะมากโลกจะเลินเก่าหนาวิทย า, า, าศาสตร์เก่าวไปไกลคนมีมากเท่าไรก็ยิ่งต้องการความเมตตาปานี้ความเห็นอกเห็นใจความภักความแพงอยู่ด้วยกันถ้ายิ่งมีมากยิ่งขาดสินขาดทำคือความเมตตาตัวเนี้ยโลกก็ลุกเป็นไฟวกเป็นไฟแน่แน่นอนเลยไม่มีเมตตา น, านามุติตาอุเบกขามันจะเข็นฆ่ากันถ้าไม่มีเมตตามันก็เกิดความชิงชังกันไม่มีกรุณา มันก็ไม่มีความสงสารที่จะช่วยเหลือเจือจุนกันเนี่ยมันก็อิจช้าตาร้อนกันไม่มีมุทิตาพอยินดีต่อกันมึงมีวกว่กูกูขว่าสังมึงมึงดีวกว่ากูกูขว่าสังมึงในพยายามที่จะทำลายกันไม่มีอุเบกขามันว่าให้อาภัยกันไม่ได้ไฟแห่งความร้าร้อนไฟอิจช้าตาร้อนไฟแห่งความชิงชังโรภโทสะ โมหะมันก็จะเกิดเป็นไฟขึ้นมาไม่โลกนี้ไม่จิตไม่ใจแล้วก็ลามไปเป็นไฟนิวเคลียร์ลามไปเป็นไฟละเบลิลนิวตนันอะไรต่ออะไรเข็มข่ากันเพราะเหตุ น, นั้นโลกนี้ขาดทำคำจะเราร้อนสู่ดุกแข็ง ึคนโบราณท่านาจึงฉลาดต้องเอามามาเอาบุญพระเวสสันดนพรพวกปูฝังข้านิยมคือความรักความเมตตาปาณีให้เกิดขึ้นมีในจิตในใจของเราเราก็เลยเอาบุญพระเวสสันดรทีเนี่ไ ม, ไม่มีเมตตาทําเลยอันนี้เสียดายมากพอจะบุญพระเวสสันดรทีข้าควายสิบตัวทําให้อาบุญพระเวสสันดนนรซะอะย่างดีกว่าบ้านในน้อยสิบโตอุย้ยกินเหล่าตีกองเติมทุกเติมทุก ตืมถูกยาบุญประเวณสันดรนเตะเครื่องขยายเสียงจัลขึ้นมาหนึ่งงวงข่อยคนหัวหลุกห้าหยาบยาบกินกูแล้วนาะบาปเนาะมันไม่ใช่บุญมหาชาติมันเป็นบาปมหาชาติมหาแปลว่าวใหญ่ชาติไปว่าเกิดเกิดบาปอันยิ่งใหญ่ไม่จะเกิดบุญอันยิ่งใหญ่บุญมหาชาติไปว่าเกิดเป็นบุญอันยิ่งใหญ่ทั้งปีทั้งชาติใจที่สุดชาตินี่บุญใหญ่ แต่นี่มันาบาปมหาชาติบุญพระเวทสันดอนฆ่าควายแล้วสิบตัวหลังจากนั้นก็นจัง่งนังจัง่งละกรคอจูบลูกคำ ม, มีมดลำวงและก็เคนฆ่ากันในบุญพระเวทสันดรตีกันฆ่ากันสารพัดอย่างอย่างนี้จะเรียกว่าบุญมหาชาติได้อย่างไรเรียกว่ า, าบาปมหาชาติยิ่งเอาไปก็ยิ่งเละเนี่ยทำไม่ถูก พอเหตุนั้นวันนี้เราบุญมหาชาติกันอย่างนี้ไม่ต้องขามัขาวข่าควายไม่ต้องเทศกันตั้งแต่เดึกแต่ดื่นเทศแบบไม่เขารบทำแม้ปลูกกันมาเทศตั้งแต่ตีสามปีสี่ีสีนี่หนังกาลังใช้เครื่องอา ท, ทนต์ต้นไมตอมล่าสาม0มื่นไม้แคนนี้ตรงจำราค า, าบนใจมีหรือไม่แต่คนเดียวรถ รักสามรถของดอนจวดหมยสาวรานสวัสดิ์เอามัดชายกันไม่รู้หนูอยากหองมากอดมาจูมาลู้มาคำ้ำเสกจิ๋วกันอยู่ในวัดคนก็เต็มหน้าจอกันนวนกำลังเข้าขันใครแม่ทะเกพระเนงก็โกยขึ้นธรรมารีอริเงะเมตไงง้อพอดีจะดรตาากันละป่าภาเวเท่นใครจะไปฟัง เขาไม่ฟังเขาดูนั่งเขาดูละครมีน้ำซ้ำพระสงฆ์องค์ยากยังไปทําคอเงาวัลลาดคอยืดบังนั้นนําเขาอยู่พอแจกมาฉันก็จังหันแล้แทนที่จะมาฟังทำโดยเขาลบก็ทํามานอนเว้นโดยเขาลบมไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยถ้าจะเถียนเป็นประโยชน์ก็ต้องเขาขันอย่างนี้โอนเช้ามาทําวัดสวดมนต์เสร็จทําวัดสวดมนต์เสร็จแล้วหลังจากนั้นถวายพัฒนาหารแก่พระสงฆ์องค์ยาวตอนเช้ารับอนุโมทานาสาธุ ก, การจากพระสงฆ์องค์ยาวเสร็จ วพวกพระสงฆ์เจ้าฉันเสร็จโยมก็กินเสร็จเรียบร้อยจะแต่งคัทท้าพันก็แต่งมาตั้งไปเรียบร้อยแล้วก็ตีกองมารวมกันมาแห่ข้าวพันกอนรอบศาลากันเอ้าถ้าต้องการประเพณีพิธีกรรมก็ทำให้มันเป็นประเพณีทำเป็นพิธีให้มันมีความหมายมีคุณค่า หลังจากนั้นก็นิมนต์ท่านขึ้นเทศอย่างที่เราเทศกันเดี๋ยวนี้เทศหลังจากฉันเสร็จนี่โยมก็กินอิ่มแล้วจิตใจก็สาบายท้องมันก็อิ่มก็ตั้งใจฟังกันมันก็จะเกิดประโยชน์มีอาไหลปุกกันมาเทศตั้งแต่ดึกๆึนู่นไม่มีคนฟังก็ไปดูนั่งดูละครไม่ได้เคาลบทั้งผู่เทศทั้งปู่ฟังมันจะไปเกิดอ่ะประโยชน์อะไรเสร็จแล้วทอถึงต่างวันเอาแล้ ว, ลวกินข้าวอิ่มพวก พระทรงอกยาดูนั่งดูละครก่อนนอนมันไปกลับไปบ้านฝ่าไปนอนเว้นโดยเขาลบแทนที่จะมาฟังทำโดยเคาลบเหมือนสมัยโบราณคนทั้งหลายก็มีแต่ผู้เฒ่าผู้แก่มานี่มาฟังทำพอเป็นพิธีนอกนั้นคนหนุ่มคนสาวคนพอ่อคนแม่คนก็ไปนูน่นเต็มดิสโก้อยู่ในบ้านไปลำเซิงสารวันเตี่ยลงลุกขึ้นอยู่หนนหาเงินแผ่กันหลอนความจริงเงินที่ได้มาไปแผ่กันห้อน่นซื้อเหล้ากันกินเมาหนอกใกมันขี่เมียงขี่สนิมใจหลน่นปิ้ง สี่บาทหาบาทเอามาเป็นกันหลอนตีกองเติมทุกเติมทุกเขามาหอบวัดแล้วก็ตีกองสนันวันไว้พักกอเทศอยู่เอากันหลอนมาวางไว้กับไปเฮต่อไปจะได้กินเหล้าเรามาฟังเทศพอเป็นพิธี<ม>อะไรอะไรก็ทํำพอเป็นพิธีฟังเทศพระเบสันดอนพอเป็นพิธีพระบให้คาดพอให้มันแล่วสูบแลวปางว่าเขาไป น, นทําไมไม่กินเหล้าพอเป็นพิธีบุญนี่กินแตอก็เดียวก็เป็นพิธีคือบาวานเนี่ย ฟังมอลล์มูเขาเป็นพิธีกว่าสันจ่างมาสักสามสิบนาทีนี่งานนี่ฟังพอเป็นพิธีนี่นะพะมันเลีวบุญเลียวสุบเลีวปังจา่างนังมาจักสามสิบนาทีมาใช้นังตัวอย่างเขาย่อแค่แยะพอเป็นพิธีให้มันเลี้ยวปัดคือจังเบิ้งกันจนเก็บเบิ้งนั่งจนสวางฟ้าแจ่งจังปางดูมอลําลกันสอดแจ่งทั้งพระทั้งโยมทําไมไม่ดูหนั ง, พ, น พ, ง พ, น พ, พอเป็นพิธีฟังล้ำพอเป็นพิธีบัดฟังเทศพ่อเป็นพิธี นีมนหลดเขาหน่อยพราะเป็นพิธีเอาจังเดยก็ได้ต่าไปเอามาพระสงฆ์เจ้าประเทศพอเป็นพิธีาากกธถือใบลานตาบะถังปากาเซนโตสัตาอาหาพีคาเวดุล่าพีโคทั้งลายเทพไปไปจนถึงหนุนมหาพลจุลพลไหลนกไหลไม้จา่าที่จวมในนามเป็นกบบินลบไปลม้ม้าเป็นนกเหียงอ่างสูงหังยางเป็นนกคงบินสูงสูงเนนกแห้งไหลมหาจะแต่อย่างนกคู่ได้กงจักตั ว, ตว ยังไม่พอถ้าได้ยินเสียงกันล้อนตีมาเติมถูกเติมถูกมาใกล้จะฮอดฟันแล้วมันจบแหละได้ ม, มันจบมันจบแล้วก็จะเพลิกหน้าขึ้นมาเทศอีกอยูนั่นแหละเอ้าอาตมาไปฟังแล้วก็ซ้มเพศเวทนาบางครั้งนะอย่างเช่นเพศมัธยีเนี่ยมันจบไปแล้วสร้างจังนี้จากเทือนพอเทือนนั่นบ่มีไม่ไพยไม่ไรและไม่บงคงสียหนีจากสาสาหนั่นบ่มีดอกบัวผู้หญิงทั้งหลายจังหนีจากผัว จบไปแล้วจบไปเรียบร้อยแล้วกันร้อนกลับมาผ่านมาปีนพิกขึ้นมาคือเก่าสร้างจากนี้จากเถินพว่าเทือนนั้นบ่มีไม่ไัยไม่ไล่ไม่บงคงสิน้นจากสาสานั้นบ่มีดอกปวัวผู้หนิ้งตั้งหลายจากนี้จากผัวปอบัวนั้นบม่มียังสัะสิ่งความอันนี้พันว่าไหวก็มาได้แก่หน้าไทยราชามาที่นิจา้า ร่อขึ้นมาอย่างเก่ากูนั่นมาล่อเอากันหลอนย่ำดีเลวมันจิจบเทขันจนบักสามทุ่มก็บนแล้วไม่ได้ไปด่วนอะไรเลยคนเทก็ต้องการที่จะเอากันเทศเอากันหลอนจบแล้วก็ไม่จบนั่นทีครั้งหนึงที่มาก็ไปฟังบอกว่าไอ้กันหลอนเขายังอยู่ขุมพล้งเล่นฝนฮะล่ะจบห่านเจสุปีดมาไลายเคือไล่เนนน้อยสัตว์กับเจ้าคำมาตกใจควนจริงแกก็ไม่ได้ตั้งใจเนนน้อยน่ยแกอ่านผิดจเจฉยๆก็พลิกใบลานมันผิดเท่านั้นเองในเมี่อแต่บางองค์ตั้ง แกทำอย่างนั้นจริงๆเพราะเหตุนั้นเรื่องพระเวสสันดอนี่ทำความเข้าใจให้ชัดเจนตั้งแต่ทัศพรหิมพานทานังตันบรรณาประเวทจุลพลมาปนอามันจนจบแต่ละกันมันจะมีความหมายบอกให้เราเข้าใจอย่างชัดเจนมีคุณค่าทางจริยธรรมอย่างสูงส่งอย่างที่เราฟังวันนี้เอาผูกัมาในสองชั่วโมงกว่าแล้ว เป็นอันว่าเราปริทัศน์กันมาอย่างชัดเจนในเรื่องพระเวทในเรื่องงานพระเวทสันดอนตลอดทั้งมาล า, ายหมื่นมาลายแสนบาทนี้เราจะเข้าสูก่กันทัศพรทันทีพอกินเวลาเคลียร์พรื้นที่มานานข้อพายก่อน ท, ที่ะทจะเข้าสู่กันทัศพร น, นี้มันก็ต้องยังต้องทําความเข้าใจกันอีกว่าเรื่องพระเวทสันดอนเนี่ยมันมีอยู่ในหลักฐานอยู่สองสองแห่งในพระไตรปิฎกคือในพุทธกนิกายชาดกเล่มที่ยี่แปดนี่อันี่ และกาในคุฎกาณิกายจริยาปีดกเล่มที่สาสิบสามนี่อันหนึ่งที่เราเทศเราสอนกันอยู่ทุกวันนี้เราใช้คุฎกนณิกายของพระไตรปิฎกคุฎกนณิกายชาดกเล่มที่ยี่สิบแปดตั้งแต่นาหนึ่งพันสี่สิบห้าไปถึงนาหนึ่งพันสองอยหสิบเก้าตั้งแต่ข้อนึงพันสี่สิบห้าไปถึงข้อ 1, นึงพันสอง้อยหกสิบเก้านาที่สา5รอยหกสิบห้าเป็นต้นไป ฉบับภาษ า, าไทยนี่ฟา ก, ากเ้าไปตั้งแ5ดห้าน้าภาษาบาลีก็ฟา้าไปตั้งเก้า้าดหน้าส่วนคุตตกาิกาจริยาปิดดกเล่มที่ส3สบสามจริยาที่เก้าหน้าที่ห้าร้อยทั้งหมดมีอยู่สองสามใบใช้เวลาอ่านประมาณ5นาทีจบทีเราเทเราซ้อนกันทั้งหามรุ่งหามค่ำตัางแด็ดตีสี่ตีห้าไปจนถึงสองทุ่มสามทุ่มนั่นทั้งหมดนั่นเราเอามาจากคุตติกาิกาชาดก เล่มที่ยีิบอันนี้ปารพบเรื่องราวของพระพุทธเจ้าที่เราได้รู้ได้ฟังกันนะส่วนมากมันจะเป็นของท้านนนที่ท่านได้จดได้จำแล้วก็นำมาเล่าให้พวกเราฟังแล้วเราก็มาเทากันตรงนี้ แล้วก็มาแปลเป็นสำนวนไทยมาแปลเป็นสำนวนลาวอีสานเป็นสำนวนทางภาคเหนะือก็ใช้กันเทศเยื่อหยาดยานคางเอื่อยเอืยกันดูงั้นก็ใช้กันทั้งวันทั้งคืนนั่นแหละความจริงถ้าใช้เวลาอ่านในพระไตรปิฎกทั้งหมดในประมาณถ้าเป็นภาษาไทยแปดสิบห้าหน้าใช้เวลาประมาณสองชั่วโมงสามชั่วโมงจบแต่ที่เราเอากันทั้งวันทีนี้ถ้าหากเรามา ฟังเรื่องพระเวสสันดรในคุตตกาิกาจริยาปีดกเล่มที่สามสิบสามข้อที่เก้าหน้าที่ห้าร้อยทั้งหมดมีอยู่สองสามใบเป็นคํากล่าวของพระพุทธเจ้าพระองค์ทรงสแสดงเล่าเรื่องให้พระสอง์องค์เจ้าฟังว่าท่านเป็นพระเวสสันดรดังที่อาจามาได้กล่าวมาแล้วเบื้องตน้นพระพุทธเจ้าท่านบอกวา่าท่านนั้นเล่าให้ฟังเองมีมีอยู่ตอนหนึ่งที่ท่น า, านบรกว่านะไม่หังมติกังนามะนับปีเปติกะสัมภวัง ชาเจทาเวสวิธียังตสมาเวชินตโรอหุแปลว่านามของเราจึงไม่เนื่องข้างฝ่ายมารดาบิดาเพราะเราเกิดที่ถนนของคนค้าขายฉะนั้นเราจึงชื่อว่าเวสันดอนณไมหังณไม่หั ง, ไ ม, หงไม่หังไปว่าของเราของเราณไม่หังมาติ ก, กังนามังนามของเราจึงไม่เกี่ยวข้องนปีเปติกสาสัมภวังกับบิดามด า, ดาคํากล่าวนี้เป็นคํากล่าวซึ่งบ่งบอกว่า ท่านเล่าของท่านเองท่านเล่าของท่านเองแต่ที่เราฟังกันดีทั้งหมดนั้นเป็นเรื่องที่เราฟังมาจากพระอนุนที่ท่านเล่าเรื่องราวทั้งหมดนี่จะขึ้นตน้นโดย ว, ว่าพระพุทธเจ้าได้สดับมาดังนี้ส่วนมากเราฟังกันอย่างนี้เริ่มต้นกันตั้งแต่ทัสพรก่อนที่จะพูดถึงเรื่องทัศพรนี้เราก็น่าจะต้องมาทําความเข้าใจกันอีกสระนั้นน้อยว่าเรื่องพระเวสสัดนดรเนี่ยพระพุทธเจ้าท่นทันเล่าให้ใครฟังตรงไหน ความจริงมันมีอยู่สองชั้นดังกล่าวแล้วชั้นแรกท่านเล่าให้พระภิกษุทั้งหลายฟังว่าท่านได้เกิดเป็นพระเบสัดอนดรอย่างนั้นอย่างนั้นในเนี่ยอยู่ในเล่มที่สามสิบสามแต่ทีนี้ถ้าหากเรามาฟังกันอย่างยืดยาวเนี่ยเราก็ฟังมาอีกต่อหนึ่งคือขัดย้ายออกมาอีกจากท่านจะว่าไปแล้วก็คือพระ อ, อ น, น์นันนะซึ่งเป็นพระอุคโสดซึ่งท่นฟังมาตลอด เมื่อท่านท่านท่านได้ฟังแล้วท่านก็มาเล่าต่อคนอื่นฟังในในการที่เราทําสังขารากันอันนี้จะจริงเท็แค่ไหนก็เป็นอีกประการนึงอย่างไรก็ตามมันมีหลักฐานอยู่ถึงกับสองแห่งดังเล่าแล้วข้าพเจ้าได้สดับสืบต่อมาแล้วจากนี้คําว่าข้าพเจ้านี่ก็คือพระอ น, นุลหรืออาตมานี่ก็ได้าอาตมาก็คือข้าพเจ้าก็ได้สดับมาแล้วดังนี้เหมือนกันความจริงการสดับของอาตมานั้นไม่ได้สดับมาจากต่อเบื้องวัภาพของพระภูมิพระภาคเจ้า แต่ได้ฟังสืบสืบมาจากคูบาอาจารย์ได้ฟังเทศภาเวศสันดอนอยู่ในหนังสือผูกใบลานคมภีอีสานบ้านเราก็หมากได้สดับมาทางกระไต่ปีดกได้ศึกษาได้ค้นคว้าดูพราะเหตุ น, นั้นจึงกล่าได้เต็มปากว่าข้าพระเจ้าก็ได้สดับมาแล้วดังนี้เหมือนกันคือพูดถึงเรื่องพระผู้มีพระภาคเจ้าได้เสด็จกลับจากเวรุวันอันเป็นวัดแรกเกิดขึ้นมาในโลกที่กรุงราชจะคืกลับคืนสู่นครก บ, บินพัฒ์ เพื่อจะไปทำยาตถาจริยาปรพพิต์นให้เป็นประโยชน์แก่ญาติบ้านเกิดเมืองนอนของท่านตัน้งแต่ท่านออกบวชมานี่ใช้เวลาหกปีแล้วมาบรรลุอุตตรานุตตรสัมมาสัมพธิยญาณแล้วพระองค์ก็ยังไม่กลับบ้านยังปดิฐานพุทธศาสนาลงสู่แผ่นดินธรรมปริกิตรนาเรีรยไรโปรยหวานทาลงสู่แผ่นดินโดยอาศัยอาณาจักมคต คือกรุงราชจ้คือของประจ้าพิมพิาสารซึ่งมีอำนาจยิ่งใหญ่ในสมัยนั้นในจัูทวีรพระองอาไยแผ่นดินที่มีอิทธิพลยิ่งแต่เป็นทุกวันนี้ก็นับว่าเป็นการฉลาดที่สุดที่เผยแพ่พุทธศาสนาลงอย่างรัสเซียอย่างอเมริกาอย่างนี้แหละ หลังจากนั้นชื่อเสียงอันงามของพระองค์ก็ฟุ้งกระจายไปาาทั่วสารทิศในจมูกทวีปดังกิดกล้องไปถึงบ้านเกิดเมือง น, นอนบ้านพ่อเมืองแม่กบินภัสกชนบทพระเจ้าสุดโทธนะก่อนเนิกว่าเมื่อไหรหนานลูกเราจะกลับมาชื่อเสียงโด่งดังฟุ้งกระจายไปไกลไม่ว่าพระเจ้าประเซนที่โค้ชนอันเป็นประเทศอำนาจที่เราต้องเป็นเมืองขึ้นอยู่ก่อนยังเคารพพระองค์ท่าอย่างนั้นก็เลยส่งอมาตะไปเชิญให้กลับบ้านอมตะอง์ คนไหนไปพระพุทธเจ้าก่อเหตุให้ฟังจนบวชมากไม่มีใครได้กลับจนคนสุดท้ายการุธายีซึ่งเป็นคนใกล้ชิดและก็เป็นสหาชาติเกิดมาพร้อมกันรู้จักจิตรู้จักใจกันดีมากเลยว่าเป็นคู่บารมรีกันเองเหมือนกันพระเจ้าสุตโธธนะก็เลยส่งให้ไปชนการุธายีนี่ก็บอกลาล่วงหน้าไปเลยว่ า, าผมอยากแกบวชก็ต้องให้ผมบวชนะผมขอลาไปก่อน เลยจากสุทโธทนาบอกโอเคบวชได้แต่บวชแล้วจะต้องนําพระพุทธเจ้าเนี่ยพระสิท ธ, ธาราชกุมารของเราสมณะโคดมของเรานี่กลับบ้านให้ได้การุทายีก็บอกว่าผมรับรองจะนํากลับให้ได้แต่สิ่งที่ผมรับรองไม่ได้ก็คือการบวชถ้าหากผมอยากจะบวชแล้วก็ขอให้ท่านใดประธานอนุญาตพรโอกาสนี่ให้ผมล่วงหน้าไปเลยทานหลวงกอบประทานผ่อนให้ปรากฏว่าการุทายีเอามากลับ ไปถึงพระพุทธเจ้าไปถึงพุทธเจ้าและได้ฟังเทศฟังธรรมเกิดสัทธาปราศาทกก็เลยได้บวชได้บำเพ็ญสมณธรรมได้เป็นพระอรหันต์สุดท้ายเมื่อสิน้นพรรษานั้นแล้วก็เห็นว่าสมควรแก่เวลาก็ทูลเชิญเสด็จพระผู้มีภาคเจ้าผู้เจริญบัดนี้แะดูการแห่งวสดุระดูก็ได้ผ่านไปแล้วระดูหนาวก็ย่างกลายเข้ามาแผ่นดินได้เริ่ ม, มแห้งแยกแตกระแหง เราฟอร่อค้านายวานิทั้งหลายก็นํากองคาราวานเกวียนบรรจุสินค้านานาประการไปขายยังต่างเมืองและดูการเช่นนี้เหมาะสมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าควรจะได้เสด็จกลับคืนสุโขทะนครกรบิัณฑพเพื่อโปรดปร ะ, ระยูรญาตและตอบแทนบุญคุณของพระราชบิดาและเหล่าสากยาราชในโอกาสหนีสมควรแล้วพระพุทธเจ้า ไม่ได้ฟังเนีนั้นก่อนนึกถึงเรื่องราวว่าพระพุทธเจ้าทั้ทงหลายในอดีตเคื่อนทัจริยาประพฤติประโยชน์ตนจนได้บรรลุทำเป็นพระอรหันต์ตัสมารถรพุทธเจ้าแล้วจะต้องมียาตัถทัจริยาประพฤติตนให้เป็นประโยชน์แก่ญาติผู้มีพระคุณ ได้รับประโยชน์จากทํำวินัยสึ่งตนเองได้ค้นพบได้บรรลุโลกุตลาดธรรมนี้แล้วหลังจากนั้นก็ค่อยทําโลกัตถจริยาประพฤต์จนเป็นประโยชน์แก่โลกยิ่งสามัญของพระพุทธเจ้าทาั้งหลายเสร็จแล้วพระองค์ก็รับคําเสด็จได้กลับมาถึงกบินภัณตใช้เวลามากนะต้องเดินมาวันโยนลโยนละโยนโย น, โย น, โยนหนึ่งก็ใช้เวลาเดินหนึ่งวันโยนหนึ่งได้มีสิบหกกิโล สี่ร้อยเซนเป็นหนึ่งโดดสิบหกกิโลท่านเดินไม่มากไม่มาทัจวารไปแล้วก็เท่ากับพวกเราธรรมดานี่ก็เดินได้วันละสิบหกกิโลแตมานี่เคยเดินวันละสี่สิบห้าสิกิโลเคยเดินมาแล้วก็ยังพอไว้นี่ท่านเดินเพราะว่ามีบริวารพระสงฆ์องค์จับไปจํานวนมากถ้าจะวารในตำแหน่งอธากถ า, าจ่าจนไม่อยากเชื่อพระปิสุ์จํานวนแสนอย่างว่าคนเป็นแสนหรือวายจักกิโลละหัวกระผังมันทีห่างกัน ฮัลโหลไอ้ลองคิดดูพระองค์ก็เลยได้ไปถึงสกจชนบทกรุงกบิลพัทเดบระทับที่นิโกทารามไม่ห่างจากมหานครตามสากยราชจัดถวายต้อนรับพร้อมด้วยหมู่พิกษุบริวารเป็นอันมากจํานวนหนึ่งแสนสิงห์ธรรมะไม่อยากจะเชื่อเลยแต่บดีในตำนานอย่างนั้นหนึ่งแสนหนีไหวห่างหมได้อีกพอใหนเนาะพอไม่ออหัวอยู่นี่หางจะอยู่ไหนถ้าเดินเรียงลําดับกันคนแสนคน ผู้เว่ยจะมนหลายคือสิเหล้องเกลอเกลอไปเบิดนอยังความยินดีแผ่ไปทั่วทั้งกบิลพั์ในการนั้นความมหาสัรย์ได้เกิดขึ้นปเป็นเอให้ทรงประกาศเรื่องราพาเวสันดอนตามปกติพตระตถาคตเจ้าเสด็จไปณนะที่แดก็ตมัมยำบังเกิดความสุขสวัสดีณที่นั่นพระอนุภาพแห่งคําสังสอนที่ได้ตรัสประทานด้วยประมหากรุณาทิคุณอุปมาเสมือนมหาแม่หลังโปรยสายฝนอันเย็นฉ่ำลงมาอย่างเลิศ ยังความอ้าวระอุของไอดินกลิ่นแดดให้ได้รับความสงบเย็นระงรับชุบชีพภาษาชาติที่เหี่ยวเฉาให้ฟื้นสู่ความชื่นบานตะการด้วยดอกช่อก้านและใบฉะนั้นแต่สําหรับกบิลพัตร์ดินแดนที่ทรงถือพระกําเนิดและเจริญไหวม้วนพระญาติและราชประชาทั้งหลายหาได้ยินดีต่อพุทธวิสัยธรรมานุภาพของพระองค์ไหม่มันเบิร์นกับเราทุกวันเนี่ย ถ้าใครเกิดอยู่บ้านได้และจากบ้านไปไประพฤติธรรมหรือไปสั่งคุณงามความดีที่อื่นกลับมาบ้านเพื่อจะพัฒนาบ้านเกิดเมืองนอนของตนเป็นเรื่องอยากเย็นที่สุดเขาไม่เชื่อเห็นหอธอมือมั่นเกิดผลประเสริ ลูกผูนั่นผูนี่มันปบัสิดีสีเด็นมาแต่ไสต่อให้ดีแค่ไหนก็ตามเขาไม่ยอมรับนี่เป็นกฎธรรมชาติของมนุษยชาติชอบเธอของใหม่ๆถ้าเป็นคนอื่นมาจากที่ไกล้ดีไปดีไม่รู้จากหัวนอนปลายตีนทํำตาเก่งๆกึ่มๆสีคือคืนหน่อยให้มีพระรุ่งเดินทางมาจากบ้านอื่นแล้วไปนอนกลางขคกกลางทามไปนอนอยู่กต่ทอมเดือนนาดูว้ายแฮ่กันไฟเพิดบ้านโตไดนเนาะก็หน่อยโผล่ผู้ขานเนี่ยจะเป็นถูกมันยากลด แต่ว่าถ้าเป็นพระสงค์องค์เจ้าลูกหลานของตนเองในประพฤติปฏิบัติทำดีแค่ไหนก็ตามเห็นห่อนเหมืองมันเกิดเคอยอาบนห่อนมาก่อนพีิดีมากแต่ใส่ซ้ำไหนทอนั่นเองมีเป็นกฎของธรรมชาติเราตั้งหลายก็อยา่าทึ่สาหาความมันเป็นเรื่องราวของมนุษยธรรมชาติเป็นอย่างนี้พระบุตรเจ้ากลับบ้านดินแดนที่ถือกำเนิดเกิดเจริญวัยมาม้วนพระญาติและราชประชาอาณาประชาลานหาได้ยินดีต่อพุทธวิสัยธรรมานุภาพของพระองค์ใหม่ พระ อ, องค์ทรงอุบัติมาเป็นความหวังของคนทั้งแว่นแขวนพวกเขาพากันชื่นชมกระหายใกล้จะได้ชมพระบารมีพระจักรพรรดิราชเขาหวังเหลือเกินว่าต้องการให้พระ อ, องค์เป็นพระเจ้าจักรพรรดิผู้ยิ่งใหญ่ในชมพูทวีปตามคํำตำนายของหมอหอนทั้งหลายแต่เสร็จแล้วเป็นยังไง ท่านยังเจริญวัยยังเจริญด้วยวัยแห่งปฐมมาวัยเซนเกษยังดำสนิทยังไม่มีร่องรอยแห่งความร่องร่ว ง, ร, วงรอยแห่งสังขารแม้สักเล็กน้อยความสมบูรณ์พูนพร้อมทุกอย่างเท่าที่สมบัติประจำวิสัยบุรุษจับเพลิงมีพระชายาสง์สิริโชมเป็นเลิศงามนักงามหนาซ้ า, าก็เป็นโชคอันประเสริฐที่ได้กำเนิดโอรสอันเป็นสิริแห่งวงตระกูลอีก คือได้ลูกชายอีกด้วยเป็นกษัตริย์หนุม่มมีเมียงามผู้ ง, ง่ายๆได้ลูกชายจึงเป็นความปารถนาของชาวอินเดียเขาว่าท่านเป็นพระเ จ, าจา้าจักรพรรดิลูกของท่านก็จะเป็นจกักรพรรดิต่อไปสืบแทนแต่เสร็จแล้วพระองค์ทรงแหวกวงล้อมหลังนี้ออกสู่ภัยพฤกประพฤติพระองค์ปานประหนึ่งพระเนจรอนาถาคนขอทานวันิภพคนยากไร้สร้างความผิดหวังขืนขมและทมทุกวิปโยคแก่คนทั้งแคว้นและพ่อแม่เป็นเวลานา น, านถึงหกปี กระทำการงานของชีวิตบำเพ็ญทุกกระกิริยาเจริญสมณธรรมอย่างเด็ดเดี่ยวและก็สำเร็จกิดหกปีเ ด, ดบลุอนุตรสมมาสัมโพริยาณจากนั้นก็ทรงใช้เวลาไปเพื่อสแสดงธรรมอนุเคราะห์แก่โลกเสด็จเที่ยวแจกจ่ายอุบายพ้นทุกข์ด้วยการเทศนาสังสอนจนชาวโลกยอมรับแล้วก็เทิดทูนไว้ในฐานะองศาสดาเอกของโลก บัดนี้พระพุทธองค์เสด็จคืนกลับสู่ก บ, บินาพัทแล้วเชาว้ากบินพัทมิได้ดต้อนรับในฐานะสัสดาเข้าพากันปีติต่อพระองค์ในฐานะที่เคยเป็นขวัญจิตขวัญใจของขาต่างหากบัดนี้ เฮาสิได้พระมหากษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่พระองค์ทับมาแล้วเพิ่นศิกนี่เฮาก็นวายสาขาญาตาชของเฮาเนี่ยต้องเป็นเมืองหลวงที่ยิ่งใหญ่เกลี่กล้องด้วยแสนญาหนุภาพอันแก่งเปรียงไกเหมือนหม้อหอนดำนายไว้เขาว่าจังซานพระบูไดมา อ, อ่อนซอนสะอ่อนใจพระพุทธเจ้าสิบรรลุธรรมอีหยังสิเทศอีหยงัยงให้ฟังเขาไม่ได้สนใจแต่เหมือนคนทุกวันนี้เอ้ยเพื่นเทธอีหยงังมาฟังดอกคันเพื่อนฝันผลจังสีฟังเี่ วันแรกเสด็จถึงแผ่นดินดินแดนแห่งมานดอนทรงเห็นว่ายังไม่ใช่โอกาสที่ทรงจะประทานประธรรมเทศนาแก่หมู่พระญาติเพราะวันนี้เป็นวันที่วิถีประสานและจิตใจตลอดทั้งร่างกายของคนเหล่านั้นส า, รนากระยะเต็มไปด้วยการปีติตื่นเต้น ปานกนว่าเขาไม่สนใจเขามาเฝ้าเต็มไปหมดพวกหนุม่มพวกน้อยก็มานั่งเล่นจับต้นไม้ยืนเล่นจับพุ่มไม้สั้นเล่นบางที่คนนอนค้าขึ้นทางใตเขาไม่มันมาหลายบางคนก็ยืนคนแก่คนเท่ายืนคนในสมัยนั้นโดยเฉพาะ สากระยราชเนี่ยยิงในศักดิ์ศรีนะักถึงขนาดไม่ยอมแต่งงานกับคนชาติใดถือว่าเป็นคนปาเทินต้องแต่งงานกันเองมันผิดกฎเมนเดนอยู่จึงทำให้สมองล้าหลังลงใหม่นาน น, ะนักก็เลยศูนย์พันกันไปเลยนะั่น เขาไม่สนใจโดยเฉพาะคนแก่คนเข่าข่านี่เกิดก่อนอาบน้ําร้อนมาก่อนเจ้าชายศิทธถะจะมาสแสดงความเคารพนอบนอบไหวทําไมความจริงเจ้าชายศิทธถะจะต้องมาเคารพเรามากถามมาไหวเราวะดิให้เรามายืนอยู่ในป่าไม่เห็นสแสดงความเคารพอะไรเลยเขาก็ไม่สนใจโดยเฉพาะพวกผู้เฒ่าโดยยังพวกลุงอย่างทัน ท, นทะปปานีอยังพวกอะไรพวกเนี้ยมีจะมาถามสําเจ้าเอาอย่างมาสอนเขาว่าสัสสอนเนี่ยมันชิบวิผิดกันหันพระพุธเจ้าถาม เพรคนนี้เอื่อนวัาตาสีหาเหตุแต่มาแปเอาเองไปใส่ห้าพิษแต่มงทันทาปานนี่ผู้ชายบอกว่าเว้ยสอนแนวคนที่บวชิดกันแล้วเว้ยแนยวไดนคนที่หักใจแพงกันนะแกไม่พอใจกแกแลบลิ้นแล้วก็ถุยน้ําลายสุดทุยหลักไม่กันเท่าไปเลยบันไหนระโยชน์อีนั่นี่มันไม่ใช่เรื่องธรรมธรรมดาเรื่องทิฏฐิเรื่องมานะค่าอาบน้ําร้อ น, นมาก่อนเกิดมาก่อนอันนี้เป็นความจริงทิฏฐิมานะ ความเห็นอันเป็นเหตุให้ถือตนถือตัวฐานลงจับจิตสิงใจผู้ใดเข้าแล้วก็รังแต่จะทําให้สภาพจิต ป, ปิบปริกไปเสมือนรากต้นไม้ที่เป็นโลกแม้ฝนจะฉ่าน้ําจะโชกแผ่นดินจะฟู ด, ด้วยรถปุ๋ยยูเรียปุ๋ยคอกยังไงก็ตามรากที่มันปิดตันเส็จแล้วด้วยอํานาจแห่งเชื้อโรคมันก็ย่อมไม่ดูดซับเอาโอซัก โอชะอันปลาเนี่เข่าบำรุงลําต้นกิ่งก้านดอกใบต้องเปลี่ยนโกร๋นต้องตายเป็นต่อไม้แก่หล่อนตายแล้วแต่ถอึงอนาคตของคนที่มีจิตใจมากเพรด้วยมานะทิฐิก็เหมือนกันบางคนบวชมานานยี่สิบสาสิบปีเต็มเพรด้วยมานะทิฐิถ้าเกิดพระหนุ่มเน้น้อยสแสดงทำภัยรอกงดงามในเบื้องต้นทําการที่สุดสมบูรณ์้วยอัดด้วยทำมีเหตุมีผลเลยบวเมื่อเมื่อวานนี้่มิเก<อ>่งทำไดไว้พอแกบวชมอดโดยเองคนประเ ถือด้นดึดตัวยอย่างนี้ก็เลยเหมือนต้นไม้ที่มีรากอุดตันไม่สามารถจะดูดซับเอาปุ๋ยอันโอชะปุ๋ยช่ำน้าโชกฝนตกดีจาได้ก็ตามเลยตายเป็นไม้กันหลอดเพราะนั้นทรงพญานเห็นอยงนี้พระพุทธเจ้าควรเก่งเสน่ห์บัตรไม่สมควรที่เราจะต้องแสดงธรรมเข้าไม่ฟังมั่นก็นเลยสิคือการกับหน่อยกหนาหน่อหนินใสๆมันจะทําคนไห่ซุ่มคนน้ำสัวแสดงธรรมไห่คน บ่ อ, อยากฟังเนพระพุทธเจ้าบอนว่าคนโบราณว่าแมนสิสแสดงทำให้ซุ่มแนวน้าสัวคืออย่างงอหยกหนาม nh nh ่อหยินใส่ใส่คนตาบอดเนี่ยเป็นอย่างนี้คือคนใหม่มีเหตุมีผลใหม่ยอมรับฟังอย่างคนโบราณท่านบอกว่าแมนสิจุดตะเกียงไต่งอแสงแกมหงส์สมม่ว้าเร้าบอดใบเขาบอความเห็นเป็นอย่างนั้นทีนี้ทา่านกเลยต้องสแสดงลิสแสดงเดทเพื่อจะทําลายทิฐิมานะสันหน่อยเพื่อล้างความ คือดีอำนาจอภิสิทธิ์อิทธิพลที่ถือกันว่าเกิดมา ก, ก่อนว่าแล้วพระองค์ก็ทำอำนาจอิทธิปฏิหารทรงกำหนดจิตจเจริญฌานมวยอภิญญาเป็นภาพพื้นลอยขึ้นสู่ห้วงนภาากาศเสด็จตรีราชจงกรมไปมาหน้าอัศจรรย์เดินย่องย่องย่องอยู่ทั้งฝ้าพวนเสร็จแล้ว ก็เติร์มหาจัจจ์ฝนตกลงมาอย่างไม่เคยปรากฏมีมา ก, ก่อนตกลงมาอย่างมหาสัจจ์มีลักษณะดังนี้เรียกว่าฝนฝนโบกลพาดกระจายตกลงมาในกรงแดนประเทศที่ซาลาคนโบราณเทศนีน้หนึ่งฝนมีสีเม็ดน้ำฝ น, นสีแดงเรืองเหมือนแก้วทับทิม สองผู้ใดปาถนาให้เปียกก็เปียกผู้ไม่ปาถนาไม่ให้เปียกละององฝนก็ไม่สัมผัสผิวกายสามไม่เลอะเทอะขังน้องกอให้เกิดโคลนตมอันเป็นปฏิกูลพอฝนหายแผ่นดินก็สะอาดบ่เป็นขีดต้มติดตีนให้สกปรกสี่ตกลงมาเฉพาะในสมาคมพระประยุรญาติไม่มีผู้อื่นอยู่ร่วมประชุมด้วยตกระมาแต่บริเวณนั้น หลังจากนั้นความมหัศจรรย์ก็เกิดขึ้นเกิดขึ้นเกิดเกินคนตั้งหลายกว่าสัจจันย์แส้ซองตอนนั้นตะวันจะตกดินแตแล้ว เมือ่อฝนตกฟ้าหลังฝนก็สดชื่นแจ่มใสดอกไม้ทั้งหลายพลเยอกรีบแย้มบานคิดว่าเป็นตอนเช้าแม้แต่หมู่วิหกนกตาก็ยังบินกลับสู่รวงรังอย่างรังเรเขาใจว่ากลางวันยามมือเสาหรือยามมือเล้งเนาะแ่นกนูปูปี๊กก็ยังหลงหอดย่ำดอกไม้ก็หลงแยมบานทั้งหมดนั้นด้วยอำ น, นาจแห่งพุท ธ, ธานุภาพคนทั้งหลายก็กลับไปเพราะตอนนั้นเย็นแลพิสูจน์ทั้งหลายก็อาสัญโสเลกันหัวจุม่มสกันอัภูตังปันเตอจฉริยงปันเตอแบบ เคยมีพระเจ้าข่าไม่เคยเห็นพระเจา้าข่าพระพุทธเจ้าเดินไปทำพากันคุยกันเรื่องอย่างเดียวนีวนประชันว้าวิบเคยพอเคยเห็นฝนอีอย่างจังเป็นเนวนี้ตั้งแต่เกิดมาบ่เคยเห็นพระพุทธเจ้าบอกว่าบ่เคยเห็นติฝนซุ่มนี่บ่เม็นตกมาแต่เดี๋ยวนี้แต่กี้แห้งหา้ากุนี้ตั้งแต่สมัยเราตถาคตยังบำเพ็ญพระชาติเป็นพระเวสสัดนดรเจริญทานบารมีนี่นี่นี่นี่ตรงนี้แหละที่ท่านเล่าให้ฟัง ท่านบอกว่าเจริญทานบารมีจนพันดินวาดวันไหวเขาสนนุราชสันสะเทือนถึงเจ็ดครั้งหลังจากนั้นก็มีครั้งที่เราตายสลบอยู่ในการสักพี่ผีน้องพ่อแม่ลูกเมีย ได้มาพบกันหกกรสันและความสอึกสอื่นดีใจตลอดทั้งบริวารสิบสองอโคประเภทนี้ก็เลยสลบลงตรงนั้นเกิดฝนแค่นิดเดียวกันนี่เรียกว่าฝนโบกรลพาระาจัดตกลงมาในของเขต ป, ประเทศ ท, ที่สาลาคนโบราณเทศยังบนเติญพรเทเีกทันดอนเขาบ้านนะ ผลตรงนั้นน่ะยิ่งน่าอาจารย์ยิ่งกว่านี้เธอทั้งหลายอยากจะฟังใหม่ว่าอย่างนี้พี่สุทั้งหลายบอกเป็นการต้องควรแล้วประปบรมีภาคจากผู้เจริญขอพระองค์จงสแสดงเรื่องนี้ให้ฟังว่าแต่ก่อนมันเป็นอย่างไรหลังอย่างนั้นท่านก็นเลยได้สแสดงเรื่องพระเวสสันดรว่ามันเป็นอย่างนี้ตรงนี้ก็ลองไปเปิดพระไตรปีดกคุถกานิกายจริยาปีดกเล็มที่สามสิบสามจริยาที่เก้าข้อที่ห้าร้อยฉบับสยามและภาษาบาลีมีอยู่สามสองสาใบเท่านั้นนะ ไม่มากอานห้านาทีจบเลยเดี๋ยวนี้เราจะเทที่จบห้านาทีก็ได้เรื่องพระเวสสันดรเนี่ยจะเอาห้านาทีก็ได้หรือจะเอาสักห้าหกเจ็ดชั่วโมงก็ได้ถ้าจะเอาให้มันมากก็มาเอาให้น้อยก็ น, น้อยพระพุทธเจ้าท่านก็นเลยเล่าเรื่องพระเวสสันดรตอนนั้นอยู่ในระยะเดือนสนะี่นะฝนตกยามแรงหันหลายลองคิดดูมันน่าอัศจรรย์แหละมหาอาการระเมโควาสัน ผลใหญ่ในสมัยเมื่อใช่การตกลงมาทานโสอันตรธาเปติบูปสเมติยังฝุนทุลีละอที่ฟุ้งขึ้นให้อันตรทานไปอันนี้เองความอัศจรรย์ก็เลยได้เทพหลวงประเวศสันดรเริ่มตั้งแต่ทัศพนิมาผ่านธนากันวัประเวศท่านเริ่มเทศในเดือนสี่เพราะเหตุนี้พี่น้องชาวอีสานเราจึงเอาบุญประเวศสันดอในยามเดือนสี่เดือนสี่มาห่อแล้วบุญประเวศประจําปีบางพอมีกันลอนแหงันล่ํำฝอนทัศพนกันตบนมหาพนไก่ซีเทียงเสียงมันลึกคึกขึ้มให้เมือ บ้านซุ้มเย็นคนโบราณของเราจัดเป็นหีดสิบอง14หีเดือนสีก็คือบุญประเวศสันดรเดิน3ามข่อยเจ้าหัวข่อยปั่นขั้วจีเดินสีข่อยเน่นหน่อยเทิมาที่ปั่นขั้วจีบอไซน้าอ่อยเน่นหน่อยเสร็จน้าตาตกเดินตีมาหอนแหลมบุญประเวศประจําปีบางฟองมีกันล้อนแห้งั้นลํำพอนทัดสะพอนกันต้นมาหาพลไก่เสีเทียงซึ้งมะลึกคึกคือมห้เมืองบ้านซุ้มเย็นแต่มะลึกคึกคือมห้เมืองบ้านถูกตายออก็บบจักตีกองกินเหลา่าเติมทุกข่าควายติดตัวหมดเงินเฮือร่ะหนึ่งพันหนึ่ง กลัวบุญภเวศเสร็จเงินออกจากบ้าน1นึ่งแบาทผมมีประโยชน์อีกยังเอาเงินจํานวน1น 0,000 บาทไปซื้อควายมาข่าซื้อเหล้ามากินตีกําร้อนตีมกอรตืมทุกนั่นเอามาตั้งเป็นล้านสหกองหมู่บ้านจะได้เป็นสถาบันการเงินส่งเสริมเศรษฐกิจในหมู่บ้านให้แข็งแกร่งพึ่งตนเองได้เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของตอนเองอย่างนี้มันจะบุญทุกบ่หนาคือประเทศญี่ปุ่นเกาหลีเดี๋ยวนี้เอาบุญไหลายจะได้เห็นทุกไหลมันมาเมลมาลึกคึอคืมให้เบื้องบ้านทุมเย็นมันมาลึกคึอคืมให้เบื้องบ้านทุกจนอีพอใหญ่เอ พราะนั้นเราจะต้องมาอาบุญพระเวทกันอย่างนี้แหละภาคอีสานอาบุญภเวทเดินสีถือว่าพระพุทธเจ้าสแสดงทำเรื่องพระเวทสันดอนที่โครนิโขทารามที่ส ก, กัดชนบทกบินพัฒเหมือเดิอนตีทางภาคกลางภาคใต้ภาคเหนือปัดเอากันยามเขาพัฒสันาาได้เทศคาถาพันเทคา ถ, า พ, ถ, า, ถาพันได้เงินกันเทศดีปันอย่างไรฝนเทศเป็นตำนวนเรียกว่าพระมหาชาติทาหลวง แต่งมาจากในล้วนในวงังแต่งเป็นคำลวงโอ้ยอ่านดูนี่ไพ่ล้อเพราะพิ่งคนธรรมดาฟังยังบ่งเข้าใจถ้อยคำบางคำทางภาคอีสานก็มาหาชาติภาคอีสานของเราเวจาล้านเต๋เจ้ามาที่ก็ไปหัตเทศกันยิงพางเมืองอุบลผุนแล้วบันคําต้มิงกุดศมพู่นเวลาบวนหัตเทศไงหัตเทศเล่นเสียงลงไปฮัดห้องอยู่ในน้ำไปมดลงไปในน้ําร้องจนคอแตกตายนเนาะคอแตกเสร็จแล้วก็มากินยาจืนน้ามันงา น้ำมันงานดีๆใส่ครับน้ำมันอีกอย่างก็วบอจักเหล็กเตนเข้าไปเลี้ยนเสียงแล้วกบมาหัดเล่นเสียงจะมาเทศทํานองสร้างลมบ้าตินขี่บ่เหยียบน้ำนองคุทลาดเหยียบกอนกวดนกเขาเหินนกเขาห้องก็ว่ากันไปนี่เราไม่เอาเป็นอันว่า พระพุทธเจ้าทรงเล่าเรื่องพระเวทสันดอนเมือ่อภิกษุทั้งหลายสนใจแล้วท่านก็ บ, บอกว่าอ้อติความอันแต่จรโดยอุปมาเท่าที่อัตามาคิดเห็นจะประกาศให้ท่านทั้งหลายฟังโดยทั่วไปดังนี้ว่าข้อที่หนึ่งสีของน้ําฝนได้แก่สีแดงและเรือเหมือนสีทัพทีมนั้นก็คือสีเลือดแห่งความสดชื่นชมยินดี วันนี้เป็นวันที่สาธยราชทั้งปวงรอคอยหลายปีตั้งแต่จากไปหกปีเจ็ดปีแปดปีเก้าปีบัดนี้ความรอคอยก็สมหวังสมหวังแล้วว่าพุทธเจ้าจะเสด็จกลับคืนมาให้เขาได้เห็นพระรูปพระโฉมจึงพากันชื่นบานผิวพรรณก็แพรสร้างด้วยสายเลือดอย่างที่เรียกว่า ราศีดีราศีของคนที่มีบุญว่าผิวพรรณอมเลือดอมฟัดคนดีใจหน้าตาก็ยิ้มแย้มแจ่มใสเลือดอมฟัดเหมือนผัวจากไปซาอุดีอาราเบียเมียรอคอยที่บ้านฟัวกลับมาอ้ยบอกินเข่าก็ไดมีเฮงใจเด้อิ่มเออผัวกาะเหมือนกันบอกกินกระอิมดีใจคือขอดเมียสุดที่รักอยู่ในทะเลทรายมาเป็นปีเป็นชาติว่เห็นหอดต้นไม้ต้นไห่ไม่เห็นหนาหลวงหนามีบอกินก็ไดเลือดอมฝาหน้าตายิ้มเยิ้มแจ่มใสหนีแหละ คือสีของน้ำฝนสีแดงและเรื่อมเหมือนเม็ดทับถิ่พี่น้องของพระพุทธเจาาาา้าชาวซาคยาชาเขามีความชื่นชมดีออกดีใจขอดีสองฝนตกมาผู้ใดปาฒนาเปียกก็เปียกไม่ปาฒนาไม่เปียกละอองฝนไม่สัมผัสผิวกายขอนี้ เปรียบเหมือนประธรร ม, มเทศนาที่พระพุทธองค์ทร ง, งประกาศออกไปแล้วมีเหตุมีผลสมบูรณ์ด้วยหลักการถ้าผู้ใดตั้งใจฟังด้วยความเพลินบธรรมนั้นก่อนจะเข้าสัมผัสถึงจิตถึงใ จ, งใจพีนี่พิจนายโยนิโซมนาสิการก็าสามารถจะปรับปรุงใจิตใจของตนเองตามหลักแห่งเหตุแห่งผลนั้นจนกระทั่งจิตตั้งอยู่ในภาวะเยือกเย็นเหมือนผิวกายต้องละออกฝนสงบลำงับสะอาดสว่างสงบแต่ถ้าระบุคนที่ฟังสักแต่ว่าฟังไม่สนใจคุยกันไปพอหายมาแล้วสูบแล้วปางพอเป็นิด ที่ธรรมะนั้นก็ไม่กระทบใจเข้าหูวซ้ายทะลุหัวขวาอุปมาเหมือนฝนตกลงมาไม่เปียกนี่หายจากเปียกกังเปียกใฮ้ยบ่อยจากเปียกกาบอเปียกแม่นเสียเทศนาใหา้สมแนวสุ่มแน ว, แ น, วน้ําสัวคือจังตักตอนหนาหง่อหินใสใสคือคนโบราณว่าวเลี่ยวก็เลี่ยวไปข้อที่สามที่ประวัติตกลงมาแล้วไม่สกปรกเลอะเทอะขังนอกอันนี้ปกติดธรรมะเป็นของสะอาดไม่ก่อทุกข์กอ่อโทษอันผู้ฟังทั้งหลาย จะไม่พึงลังเกียจแก่ใครๆไม่ว่าการในไหนแต่คนมีสิมีทําไปอยู่บันไดหมูขจ้ากับบอสังพระพุทธเจ้าพิสูุน์ต่างหลายเธอเคยเห็นพระราชาจับคนที่ไม่ฆ่าสัตว์ไม่ตักชีวิตไปจับคนที่ไม่เคยรักสกเจคอจับคนที่ไม่นอกอกนอกใจสามีภรรยาจับคนที่ไม่โกหกมดเทจับคนที่ไม่กินเหล้าเมายาสมเลเทเมาเธอเคยเห็นพระราชาจับคนเหล่านี้เข่าคคกเข่ขาตะรางไปเข้นข่าลงโทษนานาประการหรือไม่พิสูุน์ต่างหลายบอกไม่เคยเห็นพระเจ้าข่าวแม้เราเองก็ไม่เคยเห็นไม่มีมัน ในอดีตไม่มีในปัจจุบันและจะไม่มีต่อไปคนที่มีศีลมีธรรมะประการนี่จะไม่มีโทษมีทุกข์ธรรมะนี่คก็เหมือนกันถ้ามีในตรงไหนมีศีลมีธรรมแล้วมันสงบปล่มเย็นไม่หว่าในการไหนไหนในสถานที่เฉลีไยสมาคมใดฝนนี้อันเปรียบเหมือนพระธรรมจึงไม่สกปตกเลอะเอทอะขังนองเป็นตมเป็นโคนแผ่ ด, ดินใดมีธรรมสงบล่มงับราบเรียบข้อที่สีบอกว่าฝนนั้นตกอยู่ในหมู่ของพญาธิบดตกแพ่ไปบนอื่นเปียกอยู่ในแต่บริเวณนั้น อันนี้พุทธจริยานิสงมุ่งบำเพ็ญเฉพาะหมโหพระญาติสากระยาล้วนคือบำเพ็ญยาตถจริยาเมื่อเหล่าสากระยะได้รับความเย็นกายด้วยสายฝนเย็นใจด้วยกระแสแห่งธรรม การกาบบังคมลาพากันกาบบังคมลาคืนสู่พระราชนิเวศแล้วแต่นั้นก็ย่างเข้าสู่เขตสนธยาการแสงแดนอ่อนสาดฝ่าละอองฝนเลื้อตกค้างมาตั้งแต่ตอนบ่ายทาให้เกิดบรรยากาศ ร, ราวกับจะกลายเป็นยามอรุณคืนย่ำมือเสอะใหม่ขี่ออเถมันย่ำมือเล่นดอกไม้ในสวนก็เริ่มเผยกลีบบาน อิดเอื้อนเหมือนหลงเผล่แม้นกาก็บินกลับสุรวงรังอย่างลังเลพิกสุดทั้งหลายก็เลยอัศจรรย์ใจคุยกันจันละวันหัวจุ่มกันโซเล่เ่เคยพบเคยเห็นตั้งแต่เกิดมาฝนแนวนี้พระพุทธเจ้าเขาไปถามท่านพิกสุทั้งหลายก็เล่าให้ฟังพุทธญามาโอ้ยขันจะักรคุยว่าให้ฟังฟังบ่แต่กี่เห็นตกไรก็นี่ฝนตรงนี้เอีย ง, งเลยฝนเหนือไหตั้งแต่ขอยเป็นพระเวสสันดรว่าแล้วทางประเทศเรื่องพระเวสสันดรตอนนั้นในเดือนสีพวกเราชาวอีสานก็ จึงเอาบุญพระเวสสันดรในเดือนสี่อา้อญญาวละเมื่อพุทธญาตเทแล้วเราก็ก้าวเข้าฝักกันทศะะพระสะพรทั้งหมดมีอยู่สิบเก้าพระคาถาเทเรียกว่าคาถาพันนะเรามีสิบเก้าพระคาถา mm hmm. คอยทันใายพวกฝ่ายที่จะจดุดทูบจุดเทียนคาถาพันหรือ mm hmm. ไม่จุดก็ได้มันสว่ า, สางสวัยอยู่แล้วทศะะแปลว่าสิบพร าาว่าสิ่งที่ประเสริฐมาจากพระสัมวรวสิ่งที่ประเสริฐสิบประการหรือว่าพรสิบประการในการนี้เป็นการต้นเราเรื่องถึงพระนางพุทธดีผู้เป็นพระแม่ของพระโพธิสัตว์เวสสันดรก่อนที่จะได้มาอุบัติขึ้นในโลกมาเป็นแม่ของพระโพธิสัตว์นี้แต่ก่อนนั้นได้เกิดเป็นครมัเหสีเป็นเมียของพระอินทร์ผู้ง่ายๆภาษาบาลเรา และก็หมดบนจากสวงสวรรค์จุติจากสวรรค์จะมาอุบัติเกิดในโลกนี้ก็เลยได้ขอพรสิบประการคือสิ่งที่ประสริฐในการ น, นี้ก็เล่าเรื่องชื่อบ้านชื่อเมืองครองพระเวสสันดรบ้านพ่อเมืองแม่ของท่านในการขั้งนั้นมีนครนครหนึ่งชื่อเชตุดอนที่แคว้นสยผีหรือว่าสยมีพระราชธาิดีทรงพระนามว่าสมชยราช พระโพธิสัตว์ทรงอุบัติขึ้นแล้วเป็นพระโอรสของพระองค์ตั้เนิดจากพระมเหสีทรงพระนามว่าุปสดิสำหรับรนางปุษฎีผู้ชนนี้ที่ได้ เ, ดวเวียนอุบัติมาภูกพันเป็นมารดาของพระโพธิสัตว์เจ้านั้นจะมาเกิดโดยบังเอิญก่อหามิได้อาศัายอำนาจบุญญาบรารมีสัจจะอธิษฐานสึ่งปนางทรง ต, งตั้งไว้แล้วในอดีตแต่ชาติยาวนานที่ปัซาบาลวีว่าชา อุเรชาตปัจจโยปัะ ช, ชาชาตปัจโยเป็นปัจจัยมาแต่ชาติกนนตรกนโนนส่งมาสมัยที่บังเกิดเป็นราชธิดาแห่งกษัตริย์พันธุมราชร่วมกับพนางน้องอีกพระองค์หนึ่งแต่ในที่นี้จะไม่ขอกล่าวถึงจะกล่าวแต่เฉพาะผู้ที่เกี่ยวข้องกับพระโพธิสัตว์เท่านั้นกษัตริย์ผู้บิดาเดชทรงประทานแก่นจันแดงอันมีค่าแก่พระธิดาและพนางทรงยินดีเป็นอย่างยิ่งเพราะแก่นจันทหอมเป็นเครื่องประทินโชมของสตรีในสมัยนั้น นว่าเป็นของขวัญที่ต้องวิสัยของดารุณีแรกรุ่นสาวรุ่นแท้ๆ แ, แต่แล้วลูกสาวปรธิดาก็สรงขุนคิดในสิ่งที่สดใสวัยแรกรุ่นใหม่นิยมคิดคือใครก็ไม่คิดเหมือนนางส่วนนางของน้องก็พอใจพระน้องนางแต่ว่านางนึกคิดไปเอกแปลกๆพิจารณาดึงความไม่อย่างยืนความไม่เชี่ยงแท้ของสิ่งทั้งหลายนวบจะประมวลได้ดังนี้อันงามกายนั้นมันไม่จีรังถึงจะอําพรางจนจะพอกจะพัน โดยเครื่องสำอางอย่างทันสมัยชุดบันไดกี่ขั้นก็นตามจากฝรัง่งอังกฤษปารีสรอนดอนอเมริกันถึงข่าวจะยานมันก็สุดที่จะเยียวยาอันสวยกายแม้จะสวยแกมีสเสน่ห์ที่ผู้คนเรียกหาตอนเนื้อหนังยังเต่งตึงยิงจะต้องในตาต่อเมือ่อร่างชลาไข่เล่าจะมาแร ควรจะเสริมสวยให้แก่ดวงใจซึ่งเป็นโฉมภายในนั่นแหละสวยแน่เสริมสินเสริมทำเสริมแล้วงามแท้ถึงแม้มันจะแก่ก็คงแกเพียงตายอย่างหยาดยมทั้งหลายมาจำสินอุโบสถมาเนกขามาจารีเนกขามาจารีนีบวชเขาหนุ่มเขาหอมเขาเปล่ า, าพึ่งทำอย่าเหมือนแกแต่กายใจยังหนุ่มแน่นอยู่ในสินในธรรมเป็นอย่างนั้นสินเท่านั้นทำเท่านั้นความดีเท่านั้นที่จะช่วยให้คนเราแกไม่น่าเกลียด แกที่ไม่เหม็นสาบถ้าชีวิตปราศจากสิ่งเหล่านี้ก็มิกลิ่นก่อนตายเป็นเหม็นไม่มีใครอยากจะคบบางคนร่ํารวยเป็นเศรษฐีมีอำน า, าจราชศักเขาไม่ยกย่องสรรเสริญต่อหน้าเขาเกลียดชังอยู่แล้วเพราะว่ามีกลิ่นไม่ดีกลิ่นเหม็นเท่าไรก็เปรียบขอรับชั้นชลาดบางหลวงพระราชาที่บอดีผููทรงสินทรงธรรมจึงห้อมกลืนกับโม่มวลไลาฟ้าอานาประจาราดัด พระราชธิดาทรงทูลขอพระบิดาอนุญาตขอเอาแก่นจันทร์ถวายพระราชนาฏยเพื่อเป็นการบูชาพระพุทธเจ้านามว่าวิปัสสีพอกระทรงประธานอนุโมทนากับลูกสาวผู้ต้องการจะเอาแก่นจันทร์ไปถวายนางก็เลยแปลสภาพเป็นผงจุนแห่งจันทร์อันละเอียดอ่อนนําไปโปรยเป็นที่สักการะนโรอบคันทั ก, กุดีที่ประทับก่อให้เกิดกลิ่นหอมฟุ้งตลบปอบอวนทั่วท้องพิหาร เลบนางก็อุทานประกาศความปรารถนาเฉพาะพระพักของพระาศาสดาวิปัสสีประนมมือขึ้นกล่าวว่าเอสาจันทนจุนเนนะปูชาตุมเฮสุมเมกตาโดมหาทิสัสสะพุทธสมาตาเหตุสังอนาคาเตขอเดชะโดยอำนาจที่ม่มฉันได้ทำสการบูชาพระพุทธองค์ด้วยพงแห่งกันจันอันนี้ขอให้หม่มฉันได้สาเร็จความปรารถนาได้เป็นมารดาแห่งพระพุทธเจ้า ผู้ทรงพระคุณอเลอรอันประเสริฐดังพระองค์ในการข้างหน้านี้เถิดขออำนาจบา ร, รมีทานจงปกป้องประคองเหตุจะให้หม่อมชั้นได้คลาดเคื่อนจากผลที่ปราถนานี้เสียเลยพระศาสดาวิปัสสีแด่แรงเห็ุมูลเหตุคือสถาอันมั่นค ง, งของพระนางจึงอนุโมโทนาพยากรว่าความปราถนาของบางคอนจะสำเร็จอย่างแน่นอนในอ น, น, อนาคตตางโนแล เมื่อสิ้นบุญสิ้นวาสนาอันเป็นปัจจัยแห่งชีพในชาตินั้นแล้วพันนางจึงเป็นไปตามแรงกรรมก็ได้อุปัตพบชาติใหม่ที่เหมาะสมแก่ทุกๆพบทุกๆชาตินางเป็นผู้ใหม่ประมาณสังสมอบรมต่บุญญาบารมี